ชาไหนภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวารจึงยินดีการที่ปกตัตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจิกรรมนำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งต่างรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้ารับบาดและจีวรถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่า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 การถูหลังให้ในคราวอาบน้ำตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิจห้าอย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้ำฝนการสละพัดพัดเพื่อภิกษุผู้อยู่ปริวาตามลำดับพรรษาภิกษุททั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราจะบัญญัติวัด แก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาทโดยวิธีที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาททั้งหลายพึงประพฤติ